สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิยาพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่เจ็ดสิบเจ็ดเรื่องความเจริญรุ่งเรืองพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในสุภาษิตบทที่สิบสามข้อ 25. สิบแปดจนถึงข้อยี่สิบห้าสุภาษิตบทที่สิบสามข้อสิบแปดจนถึงข้อยี่สิบห้าโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า ความยากจนและความอดสูรมาถึงบุคคลที่เพิกเฉยต่อคําเตือนสติแต่บุคคลที่สนใจคําตักเตือนก็จะได้รับเกียรติความปรารถนาที่สำเร็จเป็นของหวานสำหรับวิญญาณแต่ที่จะหันเสียจากความชั่วร้ายเป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังของคนโง่บุคคลที่เดินกับปราศ ก็กลายเป็นคนฉลาดแต่บุคคลที่คบเพื่อนฝูงที่เป็นคนโง่จะได้รับพยันตรายบุคคลที่เดินกับปราชจะกลายเป็นคนฉลาดแต่เพื่อนฝูงของคนโง่จะได้รับพยันตรายความเคาะร้ายตามติดคนบาปแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้บำเหน็จแก่คนชอบทำคนดี ก็ละมรดกไว้ให้แกหลานหลานแต่ทรัพย์สินคานของคนบาปนั้นสัมสมไว้ให้คนชอบทำดินของคนยากจนที่ไถไว้ก็เกิดผลอุดมแต่มันถูกกวาดไปตามความอายุติธรรมบุคคลที่สงวนไม่เรียวก็เกลียดบุตรชายของตนแต่ผู้ที่รักเขาพยายามตีสอนเขาคนชอบทำรับประทานได้จนพอใจ แต่ท้องของคนชั่วร้ายก็หิวพี่น้องครับคําสอนในเช้าวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับชีวิตที่เราจะเจริญรุ่งเรืองเราทุกคนนั้นต้องการความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตต้องการรับการพัฒนาฉะนั้นเราจะต้องไม่เป็นคนที่ละเลยต่อคําเตือนสติหรือคำเตือนสอนพี่น้องครับในพระจ้าของพระเจ้านั้น คำว่าเตือนสติหรือคำสอนนั้นมีความหมายเดียวกันกับคำว่าวิในวิในนะครับ discipline เท่ากับ instruction ก็คือวิในนั้นก็คือคำสอนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ละเลยก็จะยากจนและอดสูครับอดสูก็คืออับอายทั้งทั้งที่ตัวเองนั้นมีศักยภาพที่จะรับการพัฒนา ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้แต่เขากับกลายเป็นคนยากจนเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ฟังการเตือนสติไม่ฟังคำสอนขาดวิตในเพราะฉะนั้นการไม่รับการเตือนสติไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนขาดวิตในในชีวิตก็จะทาให้ชีวิตของตัวเองนั้นไร้ทิศทาง ซึ่งต่างๆเหล่านี้ครับมักจะเกิดกับคนเกียจค้านครับคนเกียจค้านนั้นทำให้ตัวเองนั้นหลุดออกจากความเจริญรุ่งเรืองไม่สามารถไปถึงเป้าหมายตามศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ได้เพราะฉะนั้นการฟังคำตักเตือนการเชื่อฟังคำสอนจะส่งผลให้คนเจริญรุ่งเรืองให้มีเกียรติการเปิดกว้างรับคำแนะนำ ก็จะทําให้คนเรานั้นฉลาดขึ้นและเมื่อเราเป็นคนฉลาดเราก็จะเลือกเดินอยู่ในทางของความชอบธรรมในขณะที่คนโง่คนที่ไม่เชื่อฟังเขาจะดำเนินอยู่ในความบาปเพราะฉะนั้นความหวังของเขาทั้งหลายนั้นจึงไม่สำเร็จพอไหครับเพราะความขี้เกียจการขาดวิดนัยไม่ฟังคาเตือนสติไม่เชื่อฟังคาสั่งสอนพี่น้องครับการจะเป็นคนฉลาดนะครับก็ เราจะต้องเชื่อฟังครับเชื่อฟังคําสั่งสอนเราจะต้องรับฟังคําเตือนเราจะต้องมีวิ น, นัยในการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นการเป็นคนฉลาดก็จะทําให้ทางของเรานั้นเปิดกว้างทําให้ทางของเรานนั้หรือความหวังของเรานนั้ทางจะไปสู่ความสําเร็จก็ดีและถูกต้อง คำสอนต่อไปก็คือว่าการที่เราจะเป็นคนฉลาดนั้นก็เกี่ยวข้องกับการครบเพื่อนบุคคลที่เดินกับปราดก็จะกลายเป็นคนฉลาดแต่เพื่อนฝูงของคนโง่จะรับพยันตรายให้เราครบเพื่อนที่เป็นครูของเราได้นะครับเป็นผู้ที่จะสามารถชีวิตของเขานั้นสามารถสอนเราได้เป็นคนที่ดีนะครับเป็นปราด มีความรู้เพื่อที่จะนำความรู้ของเขานั้นมาใช้ในชีวิตของเราได้ในทางกลับกันครับการข้องแวะข้องเกี่ยวกับคนโง่หรือเป็นเพื่อนกับคนโง่นะครับก็จะนำปัญหามาให้เราเห็นอิทธิพลของการสมาคมคบค้ากับคนดีและคนชั่วคนฉลาดและคนโง่นั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตของเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียว พี่น้องครับหากเราต้องการความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาเราจะต้องคบคนที่ดีครับคบคนที่เป็นปราชุคบคนที่เป็นครูของเราได้ข้อต่อไปนะครับความยากลำบากยากจนนั้นจะมาถึงคนบาปพี่น้องครับท่านกัมพีแปลว่า trouble follows sinnerstrouble follows sinners ความยุ่งยากลำบากนะครับจะตามติดคนบาปคำว่าตามติดนั้นภาษาเดิมทำให้เราเห็นภาพสัตว์ที่ไล่ล่าเขาซึ่งเขาจะตกเป็นเหยื่อและเขาไม่อาจหนีไปได้ครับความยากลำบากนั้นก็จะไล่ล่าคนบาปแต่ในขณะที่คนมีปัญญาและคนขยันขันแข็งเขาจะเรียนรู้เขาจะรับสิ่งที่ดี เขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองคนดีมีศีลธรรมนั้นเขาจะได้พระพรที่มาจากพระเจ้าและเขาจะสามารถช่วยให้ลูกหลานของเขานั้นได้รับมรดกตกทอดถ่ายทอดไปถึงเขาได้ความเจริญรุ่งเรืองให้บําเหน็จแก่คนชอบธรมคนดีก็จะละมรดกไว้ให้แก่หลานหลานประเด็นต่อไปซึ่งเป็นคําสอนนะครับเราจะต้องยอมรับว่า ขณะที่เงินทองที่คนบาปหามาได้นั้นจะสูญหายไปและมันจะหวนกลับมาตกอยู่ในมือของคนชอบทำแม้ว่าคนชอบทำนั้นโดยปกติแล้วจะไม่ร่ํารวยมากเพราะว่าเขารู้จักบริหารเงินทองของเขาให้เกิดผลพี่น้องครับอีกความจริงหนึ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธก็คือว่าคนยากจนนั้น แม้ว่าเขาจะได้รับผลอุดมจากการทำงานหนะักแต่บางครั้งบางคราวคนชั่วร้ายที่มีอำนาจครับก็จะทำให้เกิดความอายุติดธรรมเกิดขึ้นก็จะกวาดเอาเปรียบและทำลายผลงานของเขาได้เห็นกับหลายๆครั้งคนระับในชีวิตของเราเราทำงานด้วยความศ์ัื่อแต่คนที่มีอำนาจเหนือกว่าเรานั้นก็หยิบออกไปแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง แล้วก็ลืมเราเสียเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติขอให้เราต้องเข้าใจและเราจะต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเราเองนั้นอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้พี่น้องครับมาถึงหัวข้อที่สำคัญก็คือการลงวิในลูกครับพ่อแม่จะต้องไม่ปฏิเสธที่จะตีสอนและลงวิันลูก การปฏิเสธที่จะฝึกสอนตีสอนลงวิในลูกก็แสดงว่าพ่อแม่คนนั้นไม่ได้รักลูกจริงพราะเจ้าน้าของพระเจ้าว่าไว้อย่างนั้นนะครับแม้แต่พระเจ้าก็ยังทรงตีสอนคนที่พระเจ้าทรงรักเพราะฉะนั้นการให้ลูกนั้นได้มีบทเรียนนะครับที่เจ็บปวดการให้ลูกนั้นลำบากบ้างจะช่วยเขาเข้มแข็งเมื่ อ, อยังเขาเติบใหญ่เพิพ่มทีบอกว่า เราจะต้องไม่ส ง, สงวนไม่เรียวไม่เรียวนี่มีความหมายว่าการลงวิเนยพ่อแม่ควรมีระดับของการลงวิเนยจากเบาไปหาหนักไม่ใช่ว่าทำผิดทุกครั้งจะต้องลงวิเนยในทางที่หนักหรือลงไม่เรียวทุกครั้งไม่ใช่ครับพ่อแม่เราจะต้องมีระดับของการลงวิในยจากเบาไปหาหนักการลงโทษทางด้านร่างกายนั้น ควรสงวนไว้เป็นวิธีสุดท้ายครับของการลงวินัยเป็นที่สุดสุดท้ายของการตีสอนนะครับพ่อแม่ที่ล้มเหลวในการลงวินัยลูกก็เท่ากับเราได้กำลังทำลายเขาพี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสำหรับความต้องการฝ่ายร่างกายให้กับคนชอบทำอย่างแน่นอนเราไม่ต้องกังวลเราเพียงแต่ดำเนินอยู่ในความเชื่อฟังการพร้อมที่จะรับคาเตือนสติ พร้อมที่จะเปิดใจออกรับคำสอนมีวินัยในชีวิตพระเจ้าก็จะอวยพรเราครับคนชอบธทมก็จะพอใจในสิ่งที่เขามีไม่ว่ามากหรือน้อยเพราะว่าเขายอมรับว่ามาจากพระเจ้าเป็นน้ำารไทัยของพระเจ้าสำหรับเขาแต่ในทางกลับกันครับคนอัดคานั้นจะไม่พึงพอใจและต้องการมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องครับสรุปในวันนี้นะครับ การที่เราจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ต้องมีวินัยในชีวิตต้องใส่ใจในคาเตือนสติต้องต้องถ่อมใจฟังคำตักเตือนต้องมีวินัยในชีวิตต้องคบเพื่อนที่ดีซึ่งเป็นครูของเราได้ต้องมีความขยันหมั่นเพียรประกอบสัมมาชีวะด้วยความถูกต้องชอบธรรมไม่คดโกงต้องพร้อมที่จะรับคาเตือนสติและต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะยกชูเราขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความเจริญ รุ่งเรืองจะเกิดในชีวิตของเราอาเมน